บางคนทำกรรมดีไว้ไปเกิดในภพใหม่แม้จะเกิดในตระกูลดีเช่นตระกูลกษัตริย์ตระกูลเศรษฐีพอจะสืบราชสมบัติเป็นตนได้แต่อาศัยอุปธิวิบัติคือมีร่างกายไม่สมประกอบพิกลพิการจรึงไม่ได้รับเรียกให้เสด็จะ ก, กุล หรือให้สือพรัาชสมบัติกรรมดีของเขาถูกอุบทติวิบัติห้ามไว้จึงยังไม่ให้ผลบางคนทำความดีไว้แต่ไปเกิดในยุคสมัยที่ข้าวยากต่างแผนความดีของเขาถูกกาลวิบัติห้ามไว้จึงยังไม่ให้ผล นะถ้าถ้าเขาถ้าเขาไปเกิดในในยุคที่มีอาหารกันกินอุดมสมบูรณ์ใครใครก็ไม่อดไม่อยากนะครับเขาก็ได้รับผลอนั้นตไปด้วยบางคนทำความดีไปไปเกิดในภพใหม่มีความเพียรย่อดยดมีชีวิตตกต่ำ กรรมดีของเขาถูกประโยคนวิบัติห้ามไว้จนอย่างไม่ให้ผลเมื่อไปเกิดในพพใหม่เขาประกอบด้วยประกอบพร้อมด้วยสมบัติสี่คือคติสมบัติอุปัค่าสมบัติกรรมดีของเขาได้อาศัยสมบัติเหล่านี้ให้ผลทวียิงนินขึ้นไปและนี่ จะจะรวมเรียกที่ผมพูดมาทั้งหมดในจำนองเรื่องที่พูดมาทั้งหมดในทํานองนี้ทั้งหมดนี้นะครับเรียกว่ากรรมสิบหกกรรมสิบหกทำแนวที่พ ร, ร, ระพุทธเจาย์ท่านได้ธิบายเอาไว้ตอนนี้ผมอขอต่อไปนะครับต่อไป บางคนทำความชั่วมากแทบตลอดชีวิพเมื่อสิ้นชีพแล้วไปสุขคติโลกสวรรค์ก็มีบางคนทำชั่วมากสิ้นชีพแล้วไปอบายทุกขติวินิบาตนรกก็มีบางคนทำความดีมากสิ้นชีพแล้วไปทุกขติวินิบาตนรกก็มี บางคนทำความดีมากสิ้นชีพแล้วไปสุคติโลกสวรรค์ก็มีสรุปว่าทำดีไปนรกก็มีทำดีไปสวรรค์ก็มีทำดีทำชั่วไปนรกก็มีทำชั่วไปสวรรค์ก็มีทีนี้ที่เป็นอย่างนี้เพราะอะไรที่เป็นอย่างนี้เพราะอะไร ท่านอธิบายอย่างนี้นะครับพวกที่หนึ่งเพราะกรรมชั่วที่เขาทำนั้นยังไม่ให้ผลแต่กรรมดีที่เขาเคยทำไว้ได้โอกาสให้ผลคล้ายๆว่าเขาปลูกพลไม้ต้นไม้ที่เป็นพิษเอาไว้แต่ว่าให้ผลไม้ที่เป็นพิษนั้นมันยังไม่ออกดอกออกผล แตเขาเคยปลูกต้นไม้ที่ให้ผลดีงามต้นไม้ที่มีผลหอมหวานอร่อยแล้วก็เอาไว้เขาก็ได้เสวยผลของอต้นไม้ที่เขาปลูกไว้ก่อนแต่ต้นไม้ที่เขาปลูกใหม่มันยังไม่ได้ให้ผลต่อีกสักหน่อยพอ ต้นไม้ดีที่เขาปลูกไว้มันให้ผลหมดแล้วหรือตายไปอันนี้ต้นไม้ใหม่ที่มีผลเป็นผิดมันจะเกิดขึ้นมาแทนจะเติบโตขึ้นมาแทนทีนี้พวกที่สองทำชั่วไว้มากสิ้นทีพแล้วไปอบายทุกขติวินิบาตนรโรอันนี้ก็เพราะว่ากรรมชั่วที่เขาทำนั้นมีโอกาสให้ผล ในพวกที่สามบางคนทำดีมากสินที่แล้วไปทุกติอันนี้ก็เพราะว่ากรรมดีที่เขาทำยังไม่มีโอกาสให้ผลกรรมชั่วที่เคยทำไว้ได้โอกาสให้ผลพวกที่สี่บางคนทาดีมากสินชีพไปสุ ข, ขติโลกสวรรค์ น, นี่ก็เพราะว่ากรรมดีที่เขาทำไว้ให้ผลได้โอกาสให้ผลอันนี้ครับมันก็ สลับซับซ้อนอยู่อย่างนี้นะครับกรรมชั่วที่พระพุทธเจ้าจัดถึงในที่นี้ในที่นี้ก็คือในมหากรรมมวิภังกัสสุมหากรรมมวิภังกสสตรมัชฌานิกายอุปริปันนาพระแต่พิดกเล่มสิบสี่ข้อหกร้อยสานะครับ กรรมชั่วที่พระองค์จัดถึงในที่นี้ได้แก่อกุศลกรรมมสิทกรรมดีก็หมายถึงกุศลกรรมมบทสิและจัดไว้ในตอนท้ายแห่งพระสูตรนี้ว่าอิติโคอานันดาอธิกรร ม, มังอาภัพบังอภัพบาพาสังเป็นต้นนะครับเป็นใจความว่าโดยเหตุนี้แหละอานนกรรมที่ไม่สมควร คืออกุศลกรรมปรากฏเป็นไม่สมควรก็มีคือปรากฏเป็นทุกข์แล้วก็กรรมที่ไม่สมควรปรากฏเป็นสมควรก็มีคือปรากฏเป็นสุขกรรมที่สมควรปรากฏเป็นสมควรก็มีคือสมกันสมกันอกรรมที่สมควรปรากฏเป็นไม่สมควรก็มีนี่ไม่สมกัน มันมีมันมีแฟกเตอร์มันมีแฟกเตอร์มันมีเหตุปัจจดใจอมีมีคอนดิชั่นมีเงื่อนไขอะไรเยอะแยะเรื่องของกรจำนี่มีเงื่อนไขเยอะแยะด้วยเหตนี้เองอ น, อนุนพวกเตระฐีบางคนผู้เห็นอดีตอนาคตเพียงเล็กน้อยยึงอาจเข้าใจผิดเห็นผิดว่าทำดีไม่ได้ดีทำชั่วไม่ได้ชั่วเมื่อเห็นผิดก็สอนผิด ทำให้คนสมาทานเอาวิถีชีวิตที่ผิดสำหรับพระพุทธเจ้าพระบรมศา ส, สดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรู้เห็นโดยตลอดจึงทรงรู้ว่าสักใจเข้าถึงสุคติหรือทุขติด้วยผลของกรรมใดเรื่งการจัดบอกของพระพุทธเจ้าจึงถูกต้องทองแท้ปีนี้ก็เข้ามาเจ็ดเดือนแล้วครับอจะหมดไป เดือนแล้ววันต่อเวลาก็ล่วงไปรวดเร็วเลยอีกเลยอีกห้าเดือนก็จะสิ้นปีสองพันห้าร้อยสี่สิบสามอีกแล้วชีวิตก็ค่อยค่อยล่นไป เ, เหมือนกับเหมือนกับดวงตะวันนะครับดวงอาทิตย์มันขึ้นแล้วก็ค่อยไปเรื่อย ขึ้นแล้วก็ไม่มีย้อนกลับคือว่าในวันนั้นจะไม่เดินกลับจะเดินหน้าไปเรื่อยจนถึงตกตะวันตกชีวิตของคนก็ถูกความแก่ความตายความเจ็บถูกความแก่ความเจ็บค้อมล้อมความจนบ้างความเจ็บบ้างความแก่บ้างค้อมล้อม รวมเรากันเข้ามาก็เป็นที่ตั้งแห่งความสังเวชสลดใจอยู่ไม่ใช่น้อยคิดดีๆแล้วก็ทางสิ่งที่ดีที่สุดก็คือทำทาใจให้สบายครับทำใจให้สบายอย่าไปคิดอะไรมากเลยเราเราอยู่ในโลกนี้กันคนละไม่กดดี่ปี ก็ต้องจากกันไปละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปธรรมชาติของชีวิตที่ผมพูดมาหลายครั้งนะครับก็ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยอะไรหลายอย่างสัตว์โลกที่มีเหตุปัจจัยที่ต้องการเหตุปัจจัยมากที่สุดก็คือมนุษย์มีความต้องการเหตุปัจจัย บริการของชีวิตมากมากกว่าสัตว์โลกประเภทอื่นก็ค่อนข้างจะลำบากกว่าสัตว์โลกประเภทอื่นไม่ใช่น้อยในด้านจิตใจนะครับแต่ว่าเนื่องจากมีสติปัญญามีสติปัญญาเหนือสัตว์โลกประเภทอื่นจึงสามารถแก้ปัญหาชีวิตได้พอสมควร ยิ่งมีปัญญามากก็แก้ปัญหาชีวิตได้มากมีปัญญาน้อยก็แก้ปัญหาชีวิตได้น้อยเราไม่รู้จะทำอย่างไรกับชีวิตปัญหาที่เกิดขึ้นอะไรทานองนี้นะครับ<ม>วันนี้จะมาถึงหัวข้อสุดท้ายของธรรมชาติของชีวิตนะครับคือธรรมชาติที่แท้จริงของชีวิตคืออะไร ถ้าจะตั้งปัญหาว่าธรรมชาติที่แท้จริงของชีวิตคืออะไรผมขอตอบในที่นี้นะครับว่าธรรมชาติที่แท้จริงของชีวิตก็คือความสงบอันนี้บางทีบางท่านอาจจะนึกไม่ถึงว่าคาตอบจะเป็นอย่างนี้ว่าธรรมชาติที่แท้จริงของชีวิตก็คือความสงบ รับการดำเนินชีวิตไปในทางสงบนั่นเป็นการคล้อยตามธรรมชาติของชีวิตคือทำให้ชีวิตสดชื่นแจ่มใสท่านจะสังเกตดูว่าทุกครั้งที่ใจเราสงบมันจะรู้สึกสดชื่นแจ่มใสแต่ว่าทุกครั้งที่ใจเราว้าวุ่นใจเราว้าวุ่นจะเบียว เดี่ยวแห้งเวลานั้นก็ความสดชื่นก็จะหมดไปมันมีความรัดทมทุกหมดไหม้แเวลาเราไม่สงบที่ตรงกันข้ามกับความสงบคือความว่าวุ้นจอทำให้ชีวิตเจ้าหมองขุนมัวเราร้อนกระวนกระวาย ขอเสนอให้ท่านลองอ่านหนังสือของท่านอาจารย์พุทธชาติเล่มหนึ่งครับคือวิธีเข้าถึงพุทธธรรมวิธีเข้าถึงพุทธธรรมอันนั้นท่านจะเสนอเรื่องความสงบเป็นพุทธธรรมว่าพุทธธรรมคือความสงบแล้วก็ยาวมากพูดไปยาวมากแต่ว่าอ่านจนอิ่มะ่ะ สัน <c oughs> พุทธธรรมคือความสงบโดยความสงบนั่นแหละคือพุทธธรรมขอเสนอให้ลองอ่านหนังสือหนังสือเล่มนั้นเพิ่มเติมนะครับก็จะเข้าใจว่าความต้องการจริงๆของชีวิตคืออะไ ร, อาารผมขอพูดต่อไปนะครับความสงบทำให้บุคคลผู้เข้าถึงแล้ว สามารถเข้าใจปัญหาชีวิตต่างๆได้อย่างทะลุโปร่ปรงจะสามารถแก้ปัญหาหรือปมปัญหาได้อย่างหน้าพิศวงอันนี้ลองดูลองดูครับือว่าเวลาที่ท่านว่าวุ่นเวลาที่ท่านรู้สึกไม่มีความสุขเวลาท่านรู้สึกว่าไม่รู้จะไปทางไหนก็ลองทําใจให้สงบ แล้วเราจะมองเห็นทางมองเห็นทางเหมือนเหมือนน้ําใสอ่ะครับน้ําใสเรามองดูวัตถุในน้ําใสมันจะมองชัดจะมองเห็นชัดว่า ม, มีอะไรอยู่ซับซ้อนอยู่อย่างไร<ม>ว่าจะเรีอเอาอะไรขึ้นมาแต่ทีนี้ถ้าน้ํามันขุนน้ํามันขุนเราจะมองไม่เห็นวัตถุที่อยู่ใต้น้ํา หรือว่าเรานั่งรถรถยนต์ือรถไฟก็ได้ครับถ้าเรานั่งรถกำลังวิ่งอยู่ภาพมันไม่อยู่กับที่ไม่ไม่ไม่นิ่งเรามองอะไรไม่ชัดแต่ถ้าเราอยู่กับอยู่นิ่งๆรถมันจอดอยู่นิ่งๆเราจะมองไปข้างหน้าแล้วก็จะเห็นอะไรชัดชัดเจนถ้าตาเราไม่ไม่ฟ้าไม่ฟางไม่บอดสีาตาไม่พิการ ก็ <C oughs> จะมองเหตุตามที่เป็นจริงความนิ่งความนิ่งหรือความสงบมันจะช่วยให้เราสามารถเข้าใจปัญหาชีวิตต่างๆได้อย่างทะลุรูปงหรือสามารถแก้ปมปัญหาได้อย่างน่าพิศวงประสพพัญยุตย า, ยานของพระพุทธเจ้าเนี่ยครับ มันมีแรงกำเนิดมาจากความสงบนั่นเองมีแรงกำเนิดมาจากความสงบนั่นเองก็คือว่าตั้งมัน่นตั้งมั่นสงบแล้วก็ทำให้ปัญญามันเจีมใสศีล ส, สมาธิปัญญาเห็นไหมฮะศีล ส, สมาธิปัญญาสะอาดสงบแล้วก็สว่างความลึกลับซับซ้อนของธรรมชาติ ทั้งฝ่ายจิตและฝ่ายวัตถุซึ่งยากที่จะเข้าใจนั้นบุคคลใดได้พบความสงบอย่างสมบูรณ์แล้วเขาก็จะเข้าใจความลึกลับซับซ้อนนั้นได้โดยไม่ยากเขาจะรู้จักทางดำเนินชีวิตที่ถูกต้องแต่ว่าเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆอย่างถูกต้อง เพราะเหตุไรครับเพราะว่าเขารู้จักธรรมชาติของชีวิตแล้วก็รู้จักธรรมชาติของโลกเอธรรมดาของชีวิตหรือธรรมดาของโลกกว่ามันเป็นอย่างนั้นเธอมันเป็นอย่างนั้นแหละแล้วก็ขอกระซิบ่งงางๆออให้ช่วยกันเรนหนะักเอาไว้สักอย่างหนึ่งว่า โลกนี้จะไม่ยอมให้ใครโชคดีเกินไปแ่โลกนี้จะไม่ยอมให้ใครโชคดีเกินไปท่านเขียนตัวใหญ่ๆเอาไว้ก็ได้ครับติดไว้ที่ประตูห้องแ่โลกนี้จะไม่ยอมให้ใครโชคดีเกินไปแ่ถ้าเผื่อท่านโชคดีในด้านหนึ่งก็มักจะโชคร้ายในอีกด้านหนึ่งถ้ามันเป็นธรรมดาโลก ที่เป็นอย่างนั้นเองมันเหมือนมันเหมือนแกล้งแต่ว่าโลกมันต้องการให้คนเรียนรู้ <c oughs> ต้องการให้คนเรียนรู้อาจโชคดีเกินไปโลกไม่ยอมให้ใครโชคดีเกินไปอ่าอาจจะมีข้อยกเว้นบ้างสำหรับบางคนนะครับที่เขาเอ่อทำมาดีและกําลังทำอย่างดี เราเข้าใจโลกและสีทธิ์ถ้ผมยกตัวอย่างบางคนเกิดมาสวยแต่งโง่นะ เ, เขาโชคดีในด้านรูปร่างแต่ว่างโงนะ่แต่ว่าความคิดนิดเดียวหรือความคิดไม่มีสมองกลวงอขอเล่าเรื่องแสกนิดหนึ่งนะครับเคยเล่าบ้างแล้วที่ไหนก็ไม่ทราบแต่ว่าขอเล่าซ้ำอีกที ว่าชายซ้ำอีกทีหนึ่งก็ได้ก็มีนางเอกคนหนึ่งเขาเป็นคนสวยอ่ะนางเอกเป็นธรรมดาคนที่แสดงเป็นนางเอกละครหรือนางเอกภาพยนตร์แล้วเขาเลือกเอาคนสวยทีนี้ก็เขานิยมนักปราดคนหนึ่งแี่ น, นักปราดคนนั้นเป็นคนรูปร่างไม่สวย ก็ผู้หญิงนางเอกลกครก็ไปขอแต่งงานด้วยวอขอแต่งงานกับท่านแ น, นักปราดปราดท่านก็ชะงนถามว่าทำไมทำไมมาขอแต่งงานกับฉันแต่ฉันทั้งคีเร่ทั้งแก่เธอนั้นสวยอายุก็ยังน้อยนางเอกก็บอกว่า บอกว่าเผื่อว่ามีลูกออกมามันจะได้ฉลาดเหมือนท่านแล้วก็จะสวยเหมือนดิฉันอะไรอย่างงั้นมีลูกออกมามจะได้ฉลาดเหมือนท่านจะได้สวยเหมือนดิฉัน <c oughs> นักปราบท่านตอบว่าอย่างไงนักปราบท่านบอกว่าถ้าได้อย่างนั้นมันก็ดี แต่ฉันกลัวว่ามันจะโง่อย่างเธอแล้วมันขี้เรอย่างฉันน่ะสิเราจะกำหนดไม้ได้อย่างไรว่ามันจะฉลาดอย่างฉันแล้วมันจะโง่อย่างมันจะสวยอย่างเธอมันอาจจะกลับกันก็ได้มันอาจจะมันอาจจะโง่อย่างเธอแล้วมันมันอาจจะคี้เรอย่างฉันแล้วมันโง่อย่างเธอก็ได้ นี่ก็เล่ากันเล่นเต่วเรื่องจริงครับ เ, เรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงแต่ก็ เ, เล่ากันเล่นสนุกสนุกในที่นี้ว่าแต่าบางคนเกิดมาสวยเลยอาจจะโง่ฉะนี้บางคนเกิดมาไม่สวยแต่ฉลาดว่าโลกไม่ยอมให้ไก่โชคดีเกินไปา <c oughs> บางคนเกิดมาสวยเกิดมารวยบางคนเกิดมารวย แต่สุขภาพไม่ดีมีปัญหาระหว่างพี่น้องมีปัญหาระหว่างพี่น้องปัญหาเรื่องทรัพย์สมบัติปัญหากับพ่อแม่ญาติพี่น้องสารพัดอย่างก็โชคร้ายไปอีกเรื่องหนึ่งบางคนเกิดมาจนแต่แข็งแรงสุขภาพดีมีสเสน่ห์น่ารัก ที่นี่ทำอย่างไรถึงจะเป็นคนน่ารักอันนี้เป็นปนัญหาใหญ่เป็นปนัญหาใหญ่เ อ, อก็ไม่ไม่ไม่อยากจะสัญญากับท่านนะว่าจะพูดเรื่องนี้สักครั้งหนึ่งหรืออะไรก็ก็ไม่สัญญาเนื่องกลัวว่าจะมาทําไม่ได้ตามสัญญา อ, อแต่ว่าถ้าจะตอบตอนนี้ ทันทีให้พอนาไปใช้ประโยชน์ปฏิบัติได้ทันทีก็คือว่าเห็นแก่ตัวให้หลักไว้ใหญ่ๆสองประการก่อนตัวเห็นแก่ตัวให้น้อยเห็นแก่ตัวให้น้อยแล้วก็ทอมตัวให้มากอย่างนี้ก็ก็น่ารักแล้วได้ได้ความน่ารักไปไปบ้างแล้วเห็นแก่ตัวให้น้อยทอมตัวให้มากอย่างนี้นะครับ มั่นก็ขอย้อนกลับมาถึงว่ า, เ, าเราต้องรู้จักธรรมชาติของชีวิตธรรมชาติของโลกว่าโลกไม่ยอมให้ใครโชคดีเกินไปว่ากฎของธรรมชาติและข้อที่จะต้องพึงปฏิบัติต่อกฎธรรมชาติอันนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้จะต้องทำความเข้าใจให้แน่นอน ความเข้าใจชีวิตเนี่ยมันเป็นวิทยาการที่สูงส่งมากนะครับความเข้าใจชีวิตเนี่ยวิีวิทยาการอื่นๆมันก็ก็ดีครับไม่ใช่ไม่ดีแต่ว่าความเข้าใจชีวิตเป็นวิทยาการที่สูงส่งมากผมยกตัวอย่างให้ดูสักตัวอย่างสองตัวอย่างเช่นว่าพระพระพุทธเจ้าเนี่ยครับที่ได้รับความเคารพ อย่างสูงในฐานะเป็นศัสดาบรมศัสดาของโลกเวลานี้ทั่วโลกรู้จักพระพุทธเจ้ารู้จักคำสอนของพระองค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่นักปราชญ์ก็ยอมยกนิ้วให้ท่านท่นนานนะดีว่าคำสอนของท่านมันเป็นคำสอนเรื่องความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตคำสอนของท่านเป็นคำสอนที่เกี่ยวความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิต <c oughs> ก็เลยทำให้คนเมื่อได้อา่านได้ศึกษาได้ฟังได้สะดับแล้วมันเข้าใจอะไรดีขึ้นทำให้ชีวิตสงบ ร, มร่มเย็นสดชื่นรู้จักเป้าหมายของชีวิตโดยที่สุดก็สามารถที่จะลดทุกข์ได้หมดไปจับด้วยตนเองจึงเคารพนับถือท่านถึงที่สุด นี่ยครับวิทยาการที่ว่าด้วยชีวิตมันเป็นวิทยาการที่สงส่งอขออย่าได้อย่าได้อย่าได้ละเลยอย่าได้เพิกเฉยอย่าได้ออจะได้พุทธศาสนิกชนนะครับอย่าได้เสียเวลาอย่าได้อย่าได้อะไรอย่าได้ยอมให้เวลาผ่านพ้นไปโดยเอไม่ไม่สนใจศึกษา เรื่องเหล่านี้ <c oughs> ทีนี้ท่านลองนึกดูว่าแพทย์ที่รู้จักธรรมชาติฝ่ร่างกายรู้จักยาตัวยาและหน้าที่ที่ยาจะพึงกระทําต่อร่างกายต่อร่างกายเขาก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเข้าไปเกี่ยวข้องกับร่างกายอย่างถูกต้อง เพราะว่าเขาเข้าใจเขารู้เรื่องอยางเรื่องร่างกายนี่ก็ศิลปะในการลดทุกข์พุทธศาสนานี่เป็นศิลปะในการลดทุกข์แล้วก็เสริมสร้างความสุขให้แก่ชีวิตในสถานการณ์ต่างๆมาเป็นอย่างนี้เราก็อได้รู้จักพุทธศาสนาก็ต้องช่วยเอาประโยชน์ตรงนี้ให้ได้ มิฉะนั้นแล้วเรกวาก็จะได้แต่พิธีรีทองได้แต่พิธีรีตองได้แต่ตแตเปลือกหรือสกเก็ตอะไรของศาสนาหรือแม้แต่ว่าไม่ได้เข้าใกล้เลยก็ได้นันนี่กน็น่าเสียดายนะครับทีนี้พูดเรื่องความสงบต่อไปนะครับเท่าที่เวลายังเหลืออยู่ความสงบนั้นมีอยู่สองอย่างคือสงบ อย่างเทียมกับความสงบอย่างแท้ความสงบอย่างเทียมก็ให้ความสุขอย่างเทียมความสงบอย่างแท้ก็ให้ความสุขอย่างแท้แก่จิตเหมือนการสงบของโรคกับความสุขของคนเป็นโรคว่ะโรคโรคที่สงบเพราะได้ระงับได้ยาระงับชั่วคราว โรคที่สงบเพราะได้ยาระ ง, งับชั่วคราวถือว่าเป็นอย่างเทียบส่วนโรคที่สงบเพรา ะ, ะต้นเหตุของโรคถูกกาจัดให้สิ้นไปก็ถือว่าเป็นการสงบโรคอย่างแท้แความสงบความสงบอย่างเทียมความสุขแล้วก็ได้ความสุขอย่างเทียม ความสุขยางเทียมก็เช่นว่าความสุขที่ได้จากความรื่นเริงความสนุกสนานสนองอารมณ์ต่างๆที่ตามที่ปรารถนาตามที่ต้องการจะไม่มันก็มันก็สุขเหมือนกันแต่ว่าไม่เท่าไหร่มันก็ทุกข์อีกมันเป็นความสุขย่างเทียมแต่ก็ก็ดีถ้าเปิดทำได้ก็ยังดีกว่ายังดีกว่าความทุกข์ ถึงจะเป็นความสุขอย่างเพียมก็ยังดีกว่าความทุกข์ีนส่วนความสุขอย่างแท้ก็คือความสงบความสุขที่ได้จากความสงบใจสงบหรือสงบจากบาปสงบจากอกุศล ส, สงบอยู่ด้วยคุณธรรมต่างๆหรือด้วยการบําเพ็ญประโยชน์ความสุขที่ได้จากการงานการบําเพ็ญประโยชน์ ที่จะมีความเครือกูลแก่ตนเองแก่ผู้อื่นว่าโดยธรรมดาหรือโดยธรรมชาติของมนุษย์และสัตว์โลกนะครับความปรารถนาที่จะสงบนั่นเป็นพื้นฐานสำคัญอยู่ในชีวิตจิตใจว่าถ้าไม่มีเหตุอื่นมากระตุ้นให้วุ่นวายแล้วชีวิตจิตใจก็ต้องการความสงบอยู่เสมอเพราะฉะนั้นจริง ขอกล่าวในที่นี้ว่าความสงบเป็นธรรมชาติอันแท้ จ, จริงของชีวิตผู้ที่รู้จักความสงบอก็ได้ชื่อว่ารู้จักธรรมชาติของชีวิตและความลี้ลับของชีวิตอย่างที่ท่านผู้สงบทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นนะครับได้ทรงรู้จักมาแล้วและก็แนะนํานํามาเปิดเผยแก่เราทั้งหลายผู้เป็น พุทธสาวกเป็นพุทธศาสนิกชนแต่ผู้ฟังที่เคารพกั บ, รบ เ, เรื่องนี้คิดว่าจะจบเพียงเท่านี้เวลาหมดพอดีครับสําหรับวันนี้ก็ขอยุดติด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอความสุขสงบความสวัสดีพึงมีแด่ท่านผู้ประทับรายการและท่านผู้ฟังโดยโทั่วกันสวัสดีครับ